ต่อไปนะเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือสมุทัยและก็ถ้าไม่มีสมุทัยกับไม่มีทุกข์ อ, อันนั้นคือนิโรธข้อปฏิบัติเพื่อหนึ่งนะกำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งสิ่งนั้นเรียกว่ามักมีองค์8อันประเสริฐนะ องคมร์อันประเสริฐนั้นจะเกิดที่ไหนมร์มีองแปดเนี่ยเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่มรคจิตนั่นแหละองมร์แ8ดเกิดที่มรคจิตแต่ถ้าหากว่าสติธรรมดานะเป็นทุกขสัตว์แต่เป็นทุกที่ควรเจริญนะสตินี้เป็นกุศลเพราะกุศลควรเจริญแต่ถ้ามหากุศลเป็นทุกขสัตว์มหากุศลเนี่ยเป็นทุกขสัตว์เพราะเจริญกุศลแล้วก็ มีปริญญาสามในกุศลนั้นด้วยกุศลเนี่ยควรเจริญแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้ให้ติดในกุศลมีหน้าที่แบบเจริญ อ, อย่างเดียวเขาบอกว่าโอ้โยเจริญกุศลแล้วมาโหยหากุศลเมื่อมันเกิดวันเมื่อวานเนี่ยโห้ยหมดไปแล้วหมดตั้งแต่เมืม่อวานแล้วขณะนี้ก็เหมือนกันกุศลจิตขณะนี้เดี๋ยวก็ไม่มีแล้วพอหนึ่งนะอารมณ์เปลี่ยนกุศลก็เปลี่ยนด้วยเหมือนกันจิตก็เปลี่ยนไปตามหนึ่งนะอารมณะปัจจัย เพราะว่าปัจจัยของจิตที่สําคัญก็คืออารมณ์ 2. อ, อุปนิสัยปัจจัยที่จะให้กุศ ล, ลจิตไม่มีกุศ ล, ลจิตก็ไม่เกิดอัน้นกุศลเหล่านี้ก็อาศัยปัจจัยนะทบทวนนะจิตนั้นชาติที่ทําให้ให้เกิดจิตมีกี่ชาติหนึ่งนะสหาชาตาชาติก็คือสัมปยุตธรรมทั้งหลายของกุศลได้แก่นะกุศลพันะ เจตสิกทั้งหลายแหลที่เกิดร่วมกับมหากุศลกุศลเหล่านั้นนี่มีอะไรเป็นปัจจัยเป็นอรนารามณชาติขณะนี้มีอะไรเป็นอรนารามณปัจจัยกุศลเหล่านี้มีเสียงเป็นอรนารามณปัจจัยส่วนหนึ่งมีธรรมารมเป็นอรนารามณปัจจัยในขณะที่พิจารณาจิตพิจารณาสภาพธรรมสภาวะธรรมพิจารณาคําสอนหมวดใดหมวดหนึ่งขณะนั้นก็มีธรรมะเป็น อารามณปัจจัยให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอารามณปัจจัยของกุศลกุศลเหล่านี้สืบเนื่องเป็นอนันตรชาติอนันตระปัจจัยและกุศลจิตเกิดขึ้นก็เป็นอาเสวณปัจจัยสืบเนื่องและกุศลเหล่านี้นะเป็นสหาชาติชาติด้วยส่วนหนึ่งนะคืนมาที่จิตตชรูปใช่ไหมจิตตชรูปเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าจิตตชรูปอย่างนี้เนี่ยแต่งยากกันนะเพราะกุศลจิตมันแต่งที่ กุศลจึงจะมีสีหน้าท่าทางกิริยาอาการเหล่านี้ก็มาจากกุศลทำให้เกิดจิตตชรูปก็อยู่ในส่วนของสหชาตชาตินั่นแหละแล้วจิตกุศลจิตเหล่านี้ยังเป็นปัจฉาชาตชาติเพื่อให้วิกรรมมชรูปเหล่านี้หรือว่ารูปในสีสมุทฐานเนี่ยมีอายุอยู่ต่อไปนั่นแหละช่วยรักษาอุปธรรมรูปที่มีอยู่แล้วให้มีอยู่ต่อไปอย่างมีคุณภาพ แกุศลเป็นปัจจัยก็เป็นปัจจัยที่มีคุณภาพนั่นแหละแล้วกุศลจิตเหล่านี้นะมะีอาหารเป็นรูปเป็นประตูให้ด้วยมีเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยเป็นประตูให้ด้วยมีแสงสว่างเป็นประตูให้กุศลจิตเหล่านี้ด้วยอมีคนใกล้ๆเป็นประตูปานิสยะปัจจัยให้กุศลจิตเกิดด้วยฉะนั้นกุศลจิตเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็ด้วยปัจจัยมากหลายนั่นแหละมากหลาย แต่ที่นี้ว่าเราพิจารณาปัจจัยก็ให้พิจารณาเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มจะไม่ยากจนเกินไปแล้วสามารถปัจจัยก็คือก็ขณะนี้อะไม่มีอะไรมั่งที่มีอะไรม้่งที่ไม่เป็นปัจจัยมีไหมไม่มีแต่ว่าปัจจัยเหล่านี้ถ้าผู้นั้นมียาตะปริญญาก็สามารถที่จะรู้ปัจจัยเหล่านั้นได้แต่ถ้าไม่มียาตะปริญญาโอ้ยไม่รู้ปัจจัยมันอยู่ในตำรา จ, จำเชื่อไม่ได้ทักอย่างเลยอะ แกะกุศล น, นะท่านครับมันก็ยากหน่อยนะเพราะเราเพราะกุศลเนี่ยเราพิจารณาว่าเป็นอุปาทานขันนะเป็นวิญญาณอุปาทานขันใช่ไหมครับก็ยากหน่อยนะครับคือละด้วยเจริญด้วย<น>คือในขณะเดียวกันเนี่ ย, ยให้เจริญแต่ว่ามันคือทําให้เห็นว่าการเจริญกุศลเนี่ยเป็นการเจริญที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เจริญโอ้ยพอกุศ ล, ลจิตเกิดปุ๊บนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นึกถึงโอ้ยวันนี้ดีจริงเนอะกุศลจิตเกิดนะวันนี้กุศ ล, ลจิตเกิดเราจะไปเล่าให้คนโน้นฟังโอ้ยกุศ ล, ลจิตเกิดอย่งานยงานั้นอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้เล่าเล่าไปสามสี่ห้าคนน่ในความคิดอนะถามว่าขณะที่เล่าให้คนอื่นฟังนี่กุศลไหมไม่ขณะคิดว่าจะไปเล่าให้คนโน้นฟังคนนี้ฟังเนี่ยเป็นกุศลไหมเราต้องถามว่าที่ไปเล่าให้คนอื่นฟังเพราะอะไรทําไมจึงเล่า ก็มีเป้าหมายที่จะเล่าแล้วเออแล้วขนาดนั้นเป็นกุศลไหมไอเป้าหมายที่ตั้งนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ฉลาดถ้าไม่ฉลาดตั้งจิตไว้นะถึงเล่าให้คนอื่นฟังก็ไม่ได้เล่าด้วยกุศลก็เป็นลักษณะคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอํานาจของตันหาพระองค์จึงว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอํานาจของตันหาและทิฏฐินะสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว สิ่งใดยังไม่มาถึงก็ยังไม่มาถึงแต่ปัจจุบันเนี่ยทายังไงกุศลจิตจะเกิดเหมือนอย่างนั้นอีกอ่ะกุศลครั้งก่อนเกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมแล้วขณะนี้ยปัจจัยอะไรที่จะทําให้กุศลจิตเกิดมาใช่โอ้โหเมื่อวานนะฉันไปได้ขนมมาชิ้นหนึ่งอร่อยจังเลยอะ่ะถามมันอยู่ที่ไหนบอกทานหมดแล้วแล้วขณะนี้หิวเลยนะรูปท้องเนี่ยโหเสือหิวเลยอะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นทั้นกุศลจิตต้องตื่นตัวแล้วก็เจริญขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะหน้า กุศลที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วในขณะนี้เราจะเป็นกุศลอะไรได้บ้างหลันสาระจริงๆก็คือขณะนี้เราจะเป็นกุศลอะไรได้บ้างเมื่อเรานั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นกุศลข้อไหนถ้าเดินไปขึ้นรถได้กุศลข้อไหนขณะที่ขับรถกลับได้กุศลข้อไหนเมื่อถึงบ้านและจากกุศลแลจิตข้อไหนเกิดขึ้นบ้างจะต้องทวนลักษณะนี้บ่อยๆเรียกว่าสัมปชัญญะข้อไหนข้อหนึ่งเลยนะ ข้อสาตยกะสัมปทานยะข้อต้นเลยอ่ะถ้าข้อนี้ตกนะโอหตามเรนตามกรรมอย่างเดียวอ่ะ <c oughs> คือกรรมก็คืออกุศ ล, ลกรรมอ่ะนะ <c oughs> ไม่ใช่กุศลเอกกรรมนี่มันแยกออกเป็นสองส่วนอีกใช่ไหมบางอย่างเป็นกุศลบางอย่างเป็นอกุศลเป็นไปตามกรรมจริงๆเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องเจริญบ่อยๆกุศ ล, ลจิตเนี่ยทํำยังไงจึงจะ พอกพูนให้เจริญมากๆคนที่พอกพูนกุศ ล, ลจิตมากอย่างนี้เรียกว่าเจริญสัมมประธานข้อพอกพูนกุศลที่ยังไม่เออที่ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วรักษากุศลอันนั้นเนี่ยให้เจริญงอกงามภายัยบูนบริบูรณ์มากขึ้นข้อ3กับข้อ4นะเจริญภาวนาเออประทานเนี่ยนะคืออ่าภาวนาประทานกับอนุรักษณาประทาน เจริญพ่อภูกุศลเหล่านี้ต้องตื่นตัวพันการเจริญกุศลไม่ใช่เป็นเรื่องของการหลับไหลและไม่ใช่เป็นเรื่องของการเพอร้อฝันนะไม่ใช่ฝันถึงมันหมดไปแล้วหรือเป็นเรื่องของจินตนาการซึ่งมันอยู่ที่ไหนก็นไม่รู้นะอูย้ยฉันจะไปตรงโน้นนะจะไปเจริญกุศลข้อนั้นข้อนั้นหรือเราเป็นตูวเป็นตะแต่ขณะนี้กุศลและจิตเกิดไหมถ้ามันเป็นกุศลเป็นกุศลข้อไห น, นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่เจริญสาธกาสะสัมปชัญญะนั้นได้รับการวางแผนมาเป็นอย่างดี ว่าจะไปอยู่ณนะตำแหน่งนั้นกุศลจิตจะเกิดข้อไหนบ้างเมื่อออกจากตรงนั้นจะไปไหนต่อจะได้รับการวางแผนเป็นอย่างดีดังั้นคนที่วางแผนชีวิตแต่ละขณะแต่ละขณะมองออกว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลจะเป็นกุ ศ, เกศลเป็นกุศลในข้อไหนบ้างคนเหล่านี้เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะถ้าสาธกะสัมปชัญญะเกิดบ่อยๆดีๆอย่างนี้นะจะวินิจฉัยออกว่าอะไรเป็นสัพเพะหรือไม่เป็นสัพเพะ ไปแล้วกุศลจิตเกิดหรือไม่เกิดสัมปชา н การีบุคคลใช่ไหมครับเจริญพรก็ให้เป็นสัมปช a น a การีบุคคลก็นักบวชนะครับทําได้ก็ถวายแต่พระอย่างเดียวอะ่ะจริงจก็ต้องถามดูสิครับว่าท <ำ S 1> ําได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้ามีศรัทธาที่จะทําคนทําได้ทุกคนแล้พระองค์ไหนบ้างครับทําได้คือถ้ามีศรัทธาจะทํานั่นแหละใครก็ตามเรียกว่าโยคาวะจรบุคคลนะคือบุคคลผู้ปารจความเพียรคือ คือที่กล่าวมาอย่างนี้นะครคือว่าเราเห็นทางแล้วล่ะเวลาเนี้ย ว, วิธีดําเนินทางไปสู่อันนั้นเราเราเห็นนะเจริญพรเราจ ะ, จะเจริญได้หรือไม่ได้น่ะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เวลาเนี้ยอย่างน้อยก็รู้แล้วเจริญพรรู้แล้วล ว, ว่าว่าจ ะ, จะเจริญยังไงกําหนดยังไงในสันจเจริญพรฉะั้นปารบลักษณะนี้บ่อยๆนะถ้าปารบบ่อยๆมากขึ้นอันนี้ที่ว่าโรปูปาทานขันจะไม่ใช่เป็นของยากเลยเพราะหนึ่งศา ธ, ธกะดีแล้วสอง ส ป, ปายะดีแล้วทีนี้เราจะเจริญกรรมฐานหมวดใดหมวดหนึ่งก็ไม่ยากจนเกินไปปารบเมตตาไปต้นพราะหนึ่งนะเราศาสกะบอกเลยว่าที่ไหนไปแล้วกุศลจิตเกิดง่ายบ้างเพราะขณะนั้นนนั้เราจะรู้เลยโอ้ตรงนั้นเราจะได้โคจรสัมปชัญญะด้วยพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บอะสัมโมหะสัมปชัญญะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเพราะกับพิปตานะถ้าเข้าใจเหลียวซ้ายแลยขวาแปลว่ากับพิปตานั่นเองอก็เป็นสัมปชัญญะได้ อันถ้าหากว่าสัมปชัญญะเบื้องต้นของอาสามโมหะนะใส่ใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมก่อนใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเหลี้ยวขวาเนี่ยอะไรเป็นผลของกอรนะรมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเป็นผลของกรรมอะไรนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยอะไรเป็นผลของกรรมเลี้ยวซ้ายแลขวาเนี่ยอะไรเป็นผลของกรรมเนี่ยเฉยทอนด้วยด้วยทวารไหนเหรครับเอาทางตาดิโถรเหลียวก็ตาดิาก็จะคูวิญญาณดิครับใช่ไหม จากคูวิญญาณเป็นผลของกรรมตาก็เป็นผลของกรรมสีที่ตาเห็นไม่แน่ใช่ไหมเพราะสีสมุทรฐานสีประการด้วยกันในคนคนเดียวนั้นป๊บเรามองคนปั๊บเนี่ยนะไม่ใช่ว่ากรรมสมุทฐานหมดเลยใช่ไหมเว้นตาเป็นผลของอุตุนั่นแนหะนั่นแหะมีจิตเป็นปัจจัยตกแต่งขึ้นใช่ผมเนี่ยเป็นอุตุชรูปนะซึ่งมีกรรมเป็น ปัจจัยเรียกว่าอุตุกัมมะปัจจะยอุตุชรูปเป็นอุตุชรูปซึ่งมีกรรเป็นปัจจัยแต่ถ้าลักษณะของผมเป็นต้นที่มันมีลอนมีอะไรที่แตกต่างกาันก็มาจาก จ, จิตเป็นอัตปัจจัยที่ผ่านการตกแต่งมาด้วยจิตและอุตุเป็นปัจจัยจิตช่างทาผมใช่แต่ตัวผมเนี่ยเป็นอุตกัมมะปัจจยะอุตุชรูปของเราเองของภายในบุคคลนั้นๆเพราะในส่วนตรงนี้เราก็สามารถที่จะ พิจารณาในเรื่องของอสัมโมหะสัมปชัญญะมากขึ้นคนที่ปารอาอสัมโมหะสัมปชัญญะมากขึ้นคนนั้นกรรมมสกตาจะดีมากเพราะจะมองอะไรแล้วใคร่ครวนในเรื่องกรรมพอใคร่ครวนในเรื่องกรรมปั๊บจะมองต่อไปอีกว่าเมื่ออารมณ์เหล่านี้เนี่ยมีสมุทฐานสี่แล้วจิตของเราเนี่ยพอมองเห็นอารมณ์สิ่งนี้ปั๊บจิตของเราจะเป็นจิตชนิดไหนที่ไปมีสีเหล่านี้เป็นอารมณ์ถ้าเป็นมหากุศล จะเป็นมหากุศลเพราะอะไรเพราะการใส่ใจในเรื่องกรรมเป็นต้นมหากุศลเลยเกิดแต่ถ้าใส่ใจในอย่างอื่นใช่ไหมเช่นงามเป็นโลภะไม่งามเป็นโทสะไม่สนใจเป็นโมหะนั่นแหละไม่สนใจแบบโทสะก็มีเหมือนกันนะนั่นแหละท่านอธิบายเรื่องกรรมให้ชัดๆเลยนะครับไปไหนนึกอะไรไม่ออกเอากรรมไว้ก่อนละเจ<อ> ร, ร, ริญทานนะการสกทาปัญญา เ, เนี่ยเอาไว้ก่อน มันก็มันใช่ยากเกินไปนะถ้ากรรมไม่ได้นะเรื่องอริยศาสตร์เอาไว้ก่อนเลยนะนั่นดีครับลองดูที่รับว่าอท่านอธิบายหน่อยที่เขาว่าเอาละา่ะสมมติว่าไปไหนมาไหนนี่นะครับแล้วมันเราพิจารณาเรื่องกรรมอย่างไรเนี่ยครับสมมติเดินไปแล้วเนี่ยนะครับเจอพี่ชมเชย อ, อย่างเงี้ยเจนพานอ้เอาเนเป็นยังไงละครับไปเจอที่บ้านอย่างเงี้ยเจนพาน อ, อ่า น, นะถ้าไปเจอที่บ้านใครก่อนเราไปหาเราไปหาเราไปหา ใช่ไหมเราจะเห็นหรือไม่หนึ่งนะการเห็นก็คืออะไรรับรับวิบากผลของกรรมก็คือจักขูวิญญาณไปเห็นใช่ไหมจักขูวิญญาณเป็นเห็นเมื่อจักขูวิญญาณเห็นหนึ่งนะเราจะเห็นหรือไม่เห็นหนึ่งประโยคก่อนจักขูวิญญาณซึ่งเป็นผลของกรรมนี้เราจะเห็นหรือไม่เห็นขึ้นอยู่กับประโยคของเราใช่ไหมหมายความว่าไงครับประโยคชั้นต้นหนึ่งนะสมัยตอนแรกหนึ่งนะประโยคคือหนึ่งโทนัทไว้ก่อนหรือเปล่านะสองเราได้ไปหาไหม ทังการเดินทางเป็นต้นการติดต่อเป็นต้นไว้ก่อนนี้เป็นประโยคะให้จักขูวิญญาณเกิดขึ้นคือคือเป็นปัจจัยนะเพราะว่ามันเป็นปัจจัยตั้งแต่คิดอยากเห็นก่อนแล้วมีการวางแผนมีการติดต่อทั้งหมดเป็นประโยคะให้นี้เรามะกี้เอาจักขูวิญญาณเป็นผลข้อกรรมเกิดขึ้นจักขูวิญญาณก็หนึ่งอาศัยไปพวกเหล่านี้เป็นประโยชคะถ้าเห็นกลางวันก็มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์เป็น ปากะตูให้จิตเห็นเกิดขึ้นสีเป็นอารมณะปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นทีนี้ในสีของในตัวหนึ่งเลยในตัวทั้งคนเลยเนี่ยประกอบด้วยสมุทฐานสี่อย่างส่วนหนึ่งก็มาจากผลของกรรมที่เขาเรียกว่าคนอายุขนาดนั้นขนาดนี้เพราะบ่งบอกถึงก ร, รําเพราะว่าท่าว่าเออคนนี้อายุเจ็ดิแปดสิบหรือสี่สิบห้าสิี่สสิบเนี่ยก็บ่งบอกถึงว่าโอ้กรรมมาชรูปเหล่านี้ก่อตัวมาแล้ว 2ี่ปี30สิปี4ี่ิปีก็ตามสมควรนั่นคือตั้งแต่ปฏิสนธิมาและทีนี้ถ้าคนที่เจริญมรณานุสติบ่อยๆแล้วกรรมมชรูปเหล่านี้เนี่ยสิ้นสุดที่ไหนแล้วจะรู้ว่าโอถ้าหากว่ามหาภูตรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดกำเริบขึ้นกรรมบางอย่างเป็นปัจจัยจุติจิตเขาพร้อมที่จะ ท, ทันทีแล้วก็พบใหม่ทีนี้เราก็คิดเลยต่อไปอีกว่าเออแล้วคนคนนี้เนี่ยอ่าไม่ใช่ป้านนะเอาใครก็ได้ เอาเอาคนอื่นดีกว่าตัวนี้มามันจะไม่คดีแล้วแต่แล้วพิจารณาต่อไปว่าในคนคนนั้นเนี่ยมีปกติพูดอะไรอยู่เนี่ยนะคำพูดของเขาเป็นวจีกรรมคําพูดของเขาแต่ละคําแต่ละคําที่พูดออกมาเป็นวจีกรรมกมื่รรมหมดเลยใช่ไหมครับเช่นพอนั้งกรรมในอดีตทั้งกรรมปัจจุบันถ้าหากว่าที่มาเป็นลักษณะ น, นี้หนึ่งนะที่เขามีอายุเป็นต้นขนาดนี้มีผิวพรรณหน้าตาเป็นต้นก็มาจากหนึ่งผลของกรรม ถ้อยคำที่เขาพูดแต่ละคำแต่ละคำออกมาทํากําใหม่แล้วนะทีนี้เขาพูดนะสมมุติถ้าพูดถึงคนอื่นมันก็มีสองลักษณะด้วยกันหนึ่งพูดด้วยเมตตากายวจีกรรมต่อหน้าและรับหลังเปงกรรมอีกแล้วก็เป็นกรร ม, น, รรมนั่นแหละถ้าพูดด้วยกุศลเป็นเมตตาก็เป็นกุศลไปแสดงว่าเจตนานเนี้ยไ ป, ไปดีแต่ถ้าวจีกรรมที่พูดเป็นประจํานั้นเป็นวจีทุจริต เรอยุงมาปับ๊บบินยังไม่ทันมากัดเลยนะรีบตกซะก่อนกลัวมันจะกัดเราเรียบตกมันซะก่อนนะลักษณะ น, นี้เป็นกายกรรมไม่ดีลนะบางคนนี่ตบยุงเก่งมากเลยนาะเจนทราที่เป็นท่านเจนทราบางคนเนี่ยแม่น <c oughs> นะเพชรคาดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองเห็นปุ๊บเนี่ยโหนีมิตแห่งกรรมที่ไม่ดีได้บ่งบอกปุ๊บนี้แมลงหวี่บินมาคนนี้กับมาแรงหวีเนี่ยไม่ได้ไกลกันเลย ถ้าจุติจิตเขาเกิดเพื่อปฏิสนธิเป็นอย่างนั้นได้แล้วเราก็พิจารณาจิตของเราถ้าเราปล่อยให้ไหลไปเหมือนกับคนนั้นๆไปเราจะไปไหนเราก็จะมองเห็นกรรมแล้วเราก็จะตื่นตัวมากขึ้นเพราะว่าการเจริญกุศลธรรมของพระพุทธศาสนาเราจะต้องตื่นตัวจรงิงๆไม่ใช่ปล่อยให้หลับไหลเพ้อฝันเป็นเรื่องอจินตนาการถึงสวรรค์ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่เลยนะถ้าคนที่คิดถึงเรื่องสวรรค์ก็จะคิดในลักษณะว่า เทวดาเนี่ยเขามีศรัทธาเราก็มีศรัทธาเทวดาเขามีปัญญารู้เรื่องกรรมเราก็รู้อ่ะเพั้นคนที่จะไปสุขติภูมิเป็นต้นจึงเป็นคนที่ละเอียดละอ่อในเรื่องของการเจริญกุศลมากโดยใช้อทิตย์ฐีเกิดคิดถึงเรื่องกรรมหนเดียวถ้าอาทิตย์หนึ่งกรรมหนเดียวกันที่เหลือก็กรรมเหมือนกันแต่ก็บอกว่ากรรมดํามีวิบากดำํำกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมไม่กรรมทั้งดําทั้งขาวให้ผลทั้งดําทั้งขาวกรรมไม่ดําไม่ขาว ให้ผลเป็นไม่ดำไม่ขาวก็คือเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมดำก็คือนะถ้าเราจะพิจารณาเรื่องกรรมนะกรรมดำคือหนึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะมีโลภะโทสะโมหะเป็นสมุทฐานั้นถ้าหากว่าคําพูดที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะเป็นอย่างไงสมมติว่าคนเดินปุ๊บปุ๊ บ, ป บ, ป บ, ป บ, ปบไปเนี่ยเราสามารถคิดได้ไหมว่านี้มีอะไรเป็นสมุทฐานจิตตชรูปนี้มีอะไรเป็นสมุทฐาน ไม่แน่บางคนกําลังเดินชมนกชมไม้ก็เป็นโลภะเป็นสมุทฐานบางคนเนี่ยเดินหน้าดําคร่ำเครียดไปเลยก็โทสะเป็นสมุทฐานถามว่าสมุทฐานเหล่านี้ให้ผลเป็นสุขหรือเป็นเป็นทุกข์ถามว่าเมื่อเขาเดินแบบนั้นให้ผลเป็นทุกข์ถ้าเราเดินอย่างนั้นเราเราทุกข์ไหมแล้วใครเป็นคนก่อเหตุอันนี้ไหมพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายหรือว่าพระองค์บอกพระนะพองค์บอกพระอย่างนี้ว่าบรรปชิตควรพิจารณาอย่างนี้เนืองเนือ ง, องว่า วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอกําลังทําอะไรอยู่นั่นแหละอนนะอาการกายกิริยาวาจาที่เราต้องทําให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอีกนะตัวเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ท่านผู้รู้ใคร่ครวญพิจารณาแล้วติเตียนเราโดยศีลหรือได้หรือไม่อันนะคุณวิเศษเกิดมีในตนบ้างหรือไม่จะได้ไม่เก้อเขินเมื่อเพื่อนบันประชิตถามในการภายหลัง แล้วก็ถามต่อไปว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทํากรรมอันใดไว้บุญหรือบาปดีหรือชั่วก็ตามเราจะเป็นทายาทแห่งกรรมนั้นแล้วก็นึกถึงจูลาราหุโลวาทสูนี์ใช่ไหมในพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคสอนพระราหุลสมัยเจ็ขวบใช่ไหมกายวาจาใจของเราทั้งหมดเนี่ย ที่เราประพฤติอยู่เนี่ยทั้งที่เคยประพฤติมาแล้วที่จะประพฤติต่อไปและที่กําลังประพฤติอยู่ขณะ น, นี้กายวาจาใจอันนั้นของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อเบียดเบีบบบยนตนไหมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไหมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมคิดว่าจะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล้วก็ถามตัวเองซื่อเลยง่ายๆเออเนี่ยไอ้ที่ทำทำอยู่ทุกวันเนี่ยคิดว่าให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าถามแล้วมันจะสามารถตอบได้ทันทีเลยนะให้ผลเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าก็สมาทานว่าจะไม่ทําอย่างนี้อีกต่อไปแล้วนะอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ปารลจะทําสิ่งเหล่านี้อันถ้าหากว่าบาปอากุศลมันเกิดบ่อยๆนะบอกวันหลังถ้าทุกข์อย่าบ่อนอีกนะเพราะนี่กําลังทําเหตุใช่ไหมนี่โทสะเกิดทั้งนั้นต่อไปชาติหน้าหรือว่าวันต่อๆไปถ้ากรรมชั่วมันจะให้ผลต่อไปไม่ต้องเสียใจยนะเพราะเหตุมันกําลังเพาะอยู่ใช่ไหมกาลังปลูกแต่ถ้าว่าสวนเราเนี่ยปล่อยให้พวก มามุยพวกตำแย่เนี่ยมันขึ้นเป๊ะไปหมดเวลาเดินเข้าไปในสวนแล้วมันคันบ้างก็อย่าไปบ่นนะเพราะเราไม่เคยคิดจะถอนมันออกเลยใจของเราก็เหมือนกันพอกพูนไปด้วยโลภโทสะโมหะมากๆเข้าแล้วไม่ต้องกลัวทุกนะยังไงก็สมควรแก่กรรมกรรมยุติธรรมเสมอเพราะถ้าหากว่ากรรมไม่ให้ผลนะพระพุทธเจ้าสอนผิดแน่นอนแต่นี่พระพุทธเจ้าสอนถูกเพรา ะ, ะนั้นกรรมเหล่านี้มีผลถามว่าใครเป็นคนรับล่ะถามว่าถ้าเรากําลังทําอย่างเนี้ยวันหลังยิ้มรับได้ไหม จำพรรษถ้าหากว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วจะไปทำอะไรได้ก็มีว่าตัวที่เป็นกรรมประโยคะในปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะว่าขณะนี้เรากาลังทำอะไรอยู่เราสามารถที่จะบ่งบอกถึงวันต่อๆไปของเราได้พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ผิดพลาดมาแล้วถึงการสำรวมระวังเหมือนกับพระจันทร์ที่มีเมฆหมอกมาปิดบงัง เสร็จแล้วมีเมฆหมอกเนี่ยผ่านออกไปเขาก็จะลอยเด่นชั้นใดคนที่ผิดพลาดแล้วก็ตั้งใจเอาใหม่เป็นความเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้าก็บอกว่าผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจสี่คือทุกเหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกขและมักมีองค์8อันประเสริฐซึ่งยางสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบ สารณะของบุคคล น, นั่นแลกเกษมสารณะนั่นอุดมคือสูงสุดเพราะบุคคลอาศัยสารณะนั้นย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันเป็นต้นที่ถึงโลกุตระสารณะคมแล้วก็จะให้ผลที่ประสบสุขว่างั้นเขาบอกว่าในคาถาธรรมบทกล่าวว่ายิ่งใหญ่ยิ่งกว่าอธิปไตยของพระเจ้าจากักรพรรดิว่างั้น พระเจ้าจักรพรรดิที่ว่ามีความสุขมากที่สุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายแหลผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนั้นมีความสุขมากกว่านั้นอันสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะเทียบกับพระโสดาบันก็บอกว่าเอาพระโสดาบันเนี่ยมาแบ่งออกเป็นสิบหกส่วนสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิยังไม่ถึงส่วนเสี้ยวที่สิบหกของคุณความเป็นพระโสดาบันเพราะนั้นผู้ที่ถึงโลกุตระสรณคมนั้นจึงได้รับผลมากมายมหาศาล ผลเหล่านั้นนะถ้าบุคคลประกอบด้วยธรรมะห้าประการโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลไม่ใช่เป็นของยากเลยศรัทธารธรรมะห้าประการคือศรัทธาหนึ่งะศรัทธาในคำสอนศรัทธาแบบมีปัญญาประกอบนะหนึ่งศรัทธาสองศีลสสุตตะสจากะหปัญญาโอถ้าจำชื่อได้นี่แสดงว่าใกล้ปฏิบัติได้เยอะแล้วนะ